สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์หลักสูตรช่างซ่อมบำ ร, รุงอากาศยานหรือ s t ิลเดน Aircraft Mechan ิกโปรแกรมโดยร่วมกับบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดโรงเรียนการบินกรุงเทพโดยบริษัทบางกอกเอเวอเรชันเซ็นเตอร์จำกัดหรือ BAC และบริษัทไทอัมเอเวอเรชันเซอร์วิสเซสเอเชียจำกัด ถ่ายทอดทักษะ ค, ความรู้และประสบการณ์การทํางานจริงในอุตสาหกรรมการบินเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรช่างซ่อมบํา ร, รุงอากาศยานรุ่นที่5สําหรับหลักสูตรช่างซ่อมบํา ร, รุงอากาศยานเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้ระยะเวลาในการเรียนหนึ่งปีรับสมัครผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือปวสวในสาขาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิก์ โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรจะได้รับเงินเดือนจากไทยแอ i r เอเชียในระหว่างเรียนเสมือนเป็นพนักงานของสายการบินไทยแอ i r เ s เชียและสามารถทำงานกับสายการบินไทยแ Air เ s i ชียได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02 287 9600ต่อ7335และยื่นใบสมัครผ่านเวไว์เวบ ดอ a ไ a ยแอร a เอเ r ียแ er. ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน 2,512 ัิทิติรัฐแสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงานกรมศุลกากรเผยเดือนพฤษภาคม 2,562 พบการกระทำความผิดจำนวน 2,176 ็คดีรวมมูลค่าของกลาง4ี่้อห้าบเจ็ดล้านบาทนายกริศดาจีนาวิจรณะอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกลุ่มอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร 2,560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยในเดือนพฤษภาคม 2,562 กรมศุลกากรตรวจพบการกระทาผิดจำนวน 2,176 แฟ้มคดีรวมมูลค่าของกลางประมาณ 456.82 ล้านบาท แยกเป็นคดีลักลอบ464คดีมูลค่าของกลางประมาณ 99.88 ล้านบาทคดีหลีกเลี่ยงอากร 1,552 คดีมูลค่าสินค้าประมาณ 228.83 ล้านบาทและคดีสินค้าต้องห้าม160คดีมูลค่าของกลางประมาณ 128.11 ล้านบาทรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ